วิธีช่วยตัวเองให้สบายคลายทุกข์สวดบทอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนหมายเหตุคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแล้วมาอธิษฐานจิตว่าขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดนบันดาในข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจแล้วสำรวมจิต สวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดไปจนกระทั่งนั่งสวดเมื่อยแล้วก็นอนสวดจนนอนหลับพอว่างจากการคิดการพูดอย่างอื่นเมื่อไหร่สวดทันทีแล้วจิตจะได้ไปอยู่กับบทสวด น, นี่จะได้สบายเวลาที่จิตของเรายังไ ข, ขว้คว้ามันไม่มีที่ยึดมัน่นถ้ามันยึด มั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะได้รับความสบายต้องพยายามช่วยตัวเองนี่แหละคือวิธีช่วยตัวเองให้สบายอยู่ที่ตรงนี้เราอย่าไปเที่ยวหาสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์ที่ไหนมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าเราไม่ช่วยตัวเอง